ให้หับนั่งขัดสมาธิเพ็รให้เป็นให้ได้ทุกทุกคนการนั่งขัดสมาธิเพ็รนั้นมีมาตั้งแต่สมัยประพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตรัสสู้ใต้ล้มไมโพวันเดือนหกเพ็นที่เรา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 นั่งส ม, มาธิภาวนาขัดสมาพิสทธ์ให้ทุกทุกคนนั่งเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนอนั่งให้เป็นมาให้ทุกคนอย่าไปตีว่ามันเจ็บมันขัดเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน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 เมื่อหลักตาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโทธธรรัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆนี้เป็นหลักของประพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็ น, นประธานประธานคือพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าท่าน มาตัดสู้เอาในร่มไม่พออย่างเดียวท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาตั้งแต่ปาถนาเป็นพระโพที่ศัตว์เป็นพระพุทธเจา้าคือต้องการจะให้เดชตัดเป็นพระพุทธเจา้าแต่ท่านก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาทําทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเวลายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากะบนบารมีนั้นจึงเต็มเปลี่ยนขึ้นมาได้มาตรัดสู้ในล่มไมโพนั้นประเทศอินเดียนั่นแหละก่าจะตัดสูลได้แน่ว่าเป็นอสงไขยอสงไขย เรื่องภาษานี้คําว่าอาสงไข่สีอสงไข่แสนมหากัพเฉพาะพระพุทธเจ้าโคโดมของเราเรียกเป็นอย่างต่ําถ้าพูดอย่างหนังเร็ว่าเป็นอย่างตรีโทเอกเป็นอย่างต่ําอย่างที่สองบําเพ็ญ น, นานแปดอสงไข่แสนมหากัพอย่างสูงสดก็แล้อวอะสิบหกอสงไข่แสนมหากัพ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 เมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอารานตาก็สั่งสอนอบรมกันมาโดยลำดับตายแล้วก็แล้วไปไปโซนิาพานยังไม่ตายก็สั่งสอนกันมา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 ได้มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณกระพุทธภธรรมประสงค์ท่านจึงวางเป็นระเบีย ว, ว่าต้องภาวนาพุทธโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกถึงพระพุทธภธรรมพระสงค์ทั้งสามแล้วก็เอาพุทธโธคาเดียวพุทธโธคาเดียวกัพระพุทธเจ้าก็พระพ ธ, ธรรมพระสงค์ก็อยู่ในที่นั่นแหละ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 ยังไม่เข้าถึงสรณะนะคือปพัพฐะธรรมประสง์เวลานี้การนั่งสมาธินี้ให้เชื่อว่านั่งขัดสมาธิคือเป็นจิตใจเราจะได้เข้มแข็งเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าพระอริยเจ้าทั้งหลายคําว่าเข้มแข็งก็เพื่อว่าไม่หลงไปตามกิเลสราคะตัณหาไม่หลงไปตามกิเลสโทสะ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 เราจะเนกอะไรอะไรได้ทั้งนั้นแตะว่าเอามาสอนใจมัดใจของเราให้อยู่เชียกัน้ารวมจิตใจยังไม่สงบเมื่อใดแล้วไม่มีทางกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันดึงลากไปอยู่ในวัตสงสารไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึง ล้มไม่พอประเทศยินดีนั่นได้รวพระองค์ปนั่งขัดสมาพิสต์นั่งขัดสมาพิสต์ของพระพุทธเจ้านั้นท่านจะนั่งตายนะไม่ใช่นั่งเป็นถ้าหากว่าต ร, ารัสโลเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์จะไม่ลบจากที่นั้นเป็นอังคาดไม่ต้องไปห่วงกินห่วงนอนเหมือนแต่ก่อนเราตัดสินใจลงไป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 ถ้าจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาถ้าสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในใจไม่ได้เหมือนตั้งแต่บวชมาตั้งหกปีหกัรรานั้นเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดตายเอาตายสู้แม้เราทุกคนก็เหมือนกัน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 จ็บใจคนเรานี่แหละมีอยู่คนละดวงละดวงไม่มีหลายดวงหลายใจใจแต่ว่ากิเลสตัณหามาณนะทิฐิอมันมีอยู่ในจิตในใจมากมายมันโผกมัดลัดเลงแต่ละบุคคลให้มาเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์สโลกเทวโลกคุมธมโลก เปตาโลย ม, มโลมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำอะไรต่อมี้อะไรจนถึงขั้นตกอันรกอเวเจทุกอย่างนั่นแหละเรียกว่าคนเจ็ดดวงนี้แหละดวงที่รู้ที่ฟังดวงที่เราเนึกุทโธทรเดี๋ยวนี้แหละรวมเอาเจตใจดวงนี้ให้ได้ก่อนอื่นใด้ ถ้าหยดจิตดวงนี้ไม่ได้มันปรุงแต่งอะไรต่ออะไรไปเรื่อยไปแล้วไม่รู้แลหลงไปหมดเขาว่าอย่างใดมาได้ยินอะไรเป็นคนหูเบาคนหูเบาก็คือคนใจเบาทาสมาธิภาวนาในใจของตนไม่ได้เบาไปหมด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 ทำชั่วมันคิดเอาได้แต่ว่าทำดีนี่ต้องฟังคำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีถามีตัวจะดึงให้ไปหลงทางนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนง่ายๆก็คือว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น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 กลัวตายอยู่มันทำอะไรได้ที่ไหนนั่งภาวนาก็กลัวตายมันหนีไปไหนไม่ตายเกิดมา้วมันต้องตายวันยังค่ำแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นบุญมันยังรักษาพวกเราทั้งหลายไว้บุญได้แก่เราละบาปบำเพ็นบุญทำดีด้วยกาย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 เกิบมาแล้วก็มาจเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปเพราะมีบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าช่วยดูแลให้ตัวเราจึงไม่ตายแต่เล็กแต่น้อยมนุษย์นี้ไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดียวและฐานถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลให้ตายทุกหลายไม่ได้มานั่งภาวานารมผาสองหรอก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 เมื่อมาถึงเวลานั่งภาวานาก็ให้ตั้งใจคำว่าตั้งใจนะมันตั้งหมดทั้งตัวมันเพียงเรียกว่าตั้งใจใจจะตั้งได้กายก็ต้องตั้งฉะนั้นเพิ่งจึงมีวิธีการนั่งภาวานาแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไป จุดสำคัญก็ให้เอาจิตเอาใจของตนให้อยู่มั่นคงในถินในธรรมในคำสั่งสอนให้ได้อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาโตกตีเตียนนินทาของโลกเลิกล้มความดีงามเคยทำบุญทาทานก็ทำไม่ได้เคยรักษาชินหน้าชินแปก็รักษาไม่ได้พอโตกเพื่อนมนุษย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 ตั้งใจขึ้นมายกใจิตใจของตัวเองขึ้นมาไม่ให้ใจมันง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญห่วนั่นห่วงนี้วิตกวิจารไปไม่เอาเลิกละทิ้งหลวพุทโฆพุทธะจิตผู้รู้อยู่ในกายในจิตนี้นั่งก็ภาวนาอยู่ในใจเยืนก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจ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 เขาไม่วันไหวใครจะทายอุจจาระปัดสาวะให้แผ่นดินก็ไม่ว่าอะไรใครจะขุดจะกลนจะทำนังใดแผ่นดินก็เฉยนาะจิตใจผู้ภาวนานั้นถ้าทำได้เหมือนแผ่นดินจึงจะละกิเลสความโกรธได้ละกิเลสความโลภความหลงได้ถ้าใจมันไม่นักแน่นล่ะไม่ได้ ใจไม่มั่นคงเรียว่าใจไม่สงบในโลกเมตตาก็ต้องเห็นรูกโลกที่เห็นทางตาจิตกิเลสมันก็จ็ตดูแต่โลกที่สวยที่งามคนโลกที่ไลาที่เลรูปสกรปรกสมมุมมันก็มีอยู่เต็มโลกมันต้องเห็น โูคคนเกิดโูคคนแก่โูคคนเจ็บไข้ได้ป่วยโูคคนตายโูคคนเผาผีจีกระดูกมันมีหมดเลยเสียงเข้าทางหูตาหูจมูกเล่นกายใจโรคเข้าต่างตามันเข้าออกธรรมดาแต่ว่าจิตภายในไม่ภาวนาละกิเลสโรคดีก็ดีใจโูคไม่ดีก็เสียอกเสียใจ น่ารักคือใจมันหลงไม่ให้ใจมันลหลงไหลไปที่อื่นใจภาวนาใจใสเหมือนดวงแก้วมันนิใจใสสะาไม่กรดให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่หลงไปตามอารมณ์เลียภาวนาตั้งใจนั้นเอาพุทโธให้โยในตัวในใจของตนได้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 พุทโธอันเดียวพุทโธแปลว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้อย่าไปหลงอันหลงนันมันมีมาแล้วตั้งแต่อนเนกชาติจิตนั้นมันเกิดมาจนนับไม่ถ้วนแต่จิตนี้มันโง่เขาเบาปัญญาภาวนาขี้เกียจที่ขัดมันไม่มีปัญญามันก็เลยโง่ โง่เขาก็ว่าง่ายง่าวเขาก็ว่ามันอยู่กับจิตนั่นแหละจิตขี่เกียดที่ข้านภาวนาโง่เงาโง่เง่าเต่าตุนเขาก็ว่ามันโง่มาอย่างนี้นับพบนับพลาดไม่ทวนแล้วแล้วยังจะไปเชื่อไปหลงกิเลสอยู่ไม่ได้ต้องลบขึ้นตื่นขึ้นเรียกว่ายืนขึ้นลบขึ้นต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้กิเลส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 ดินฟ้าอากาศเขาสอนให้เราเกิดสติสมาธิปัญญาขึ้นมามันเฉลียวฉลาดสา ม, มออ า, ารถอาถรรสู้กับกิเลสมารสังขารมารในใจของตัวเองให้มันได้ชัยช น, นะไม่ได้ชัยช น, นะไม่ลบจากที่นี้เป็นอันขาดน่ยดูที่พระพุทธเจ้าท่านเอาแล้วว่าท่านวางมาตใหม่ มากใหม่แล้ววันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลูกขมูลล้มให้พระองค์วางแดกใหม่แต่ว่าพระองค์ไม่ใช่ภาวนาพุทโธพุทโธเวลานั้นยังไม่เกิดมีโยแต่ยังไม่เด้ดตัดจะตัดคือนั้นถึงไม่มีใครสอนก็เป็นธรรมดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสอนเองท่านรวบรวมเข้ามาว่าจะเอาอะไรภาวนาเพราะเอาภาวนาลมหายใจเนี่ยภาวนาท่านกำหนดลมลนั้นสาวกภายหลังเป็นกะเอาพุทธโธบ้างเอาลมหายใจเอาเมาลณะนะกรรมาฐานอะไรก็ได้ตั้งให้ได้มัดใจให้อยู่พระพุทธเจ้าเอาลมหายใจ ลมหายใจเข้าไปท่านก็สอนใจของท่านนี่ลมเข้าไปนี่ออกมาไม่ได้ก็ตายนะแกจะตายอยู่นะตัดสโลไม่ได้ตัดสโลพ้นที่สุดก็ตายเหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเกิดแล้วต้องตายเนี่ยแน่ไม่เมใครจะไม่ตาย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 เลียนไม่มีกระดูกไปเชื่อมันไม่ได้มันลอกให้เราหลงจะลิ้มรสจะกินแต่อ ร, อร่อยมันกินไปได้สักกี่ปีพระพุทธเจ้าแท้ๆก็แปดสิบปีก็เลียลี้นยนหมดได้คนเราสมัยนี้จะกินไปถึงไหนร้อยปีก็พอค่อยถึง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 เอาจิตใจดวงเดียวให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนั่งก็ไม่มีอะไรก็พุโทโธอยู่ในใจพุโทโธก็อย่าไปหลงทำโมสังโฆก็อย่าไปหลงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่นย่อมาในจิตใจของตัวเองนั่นแหละละบาปบำเพ็ญบุญจเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสสะอา ให้เข้ามาที่นี่ไม่ให้หลงนอกกายออกไปเขาจะสมมุติว่าอย่างไรอย่าไปหลงรวมกําลังเข้ามาตั้งใจลงไปหำมันมั่นคงลงไปในจิตในใจเอาจิตใจดวงนี้ให้รู้ให้เข้าใจอย่าไปมัวโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลาคาญไม่จบไม่สิ้นสักที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 เรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนมัวขี้เกียจขี้ค้านภาวนาอยู่ได้หรือเกิดมาได้อะไรติดตัวมาได้นังหุ่มกระดูกก้อนอันเดียวนี่มาใหญ่ยายมาแล้วโลกสมมติเขาว่าอย่างใดเจตนี้ก็ลงไปตามเขาไม่ภาวนาละกี่เลยก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อน ลาคินาไฟคือลาคะเลิกละไม่ได้โทชกินาไฟคือโทสะโมหกินาไฟคือโมหะเลิกละไม่ได้เป็นนักบวชภาวนาตักกิเลสละกิเลสเหมือนกระพุทธเจ้าไม่ได้มากก็มาลมหลงหนัวเมาตัวโกของโกตัวข่าของข่าอยู่ไม่จบไม่สิ้นเอาให้มันจริงลงไป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 ละกิเลสความโลภมันได้เอาให้มันตายไปละกิเลสความหลงไม่หมดมันตายไมันแล้วไปเหตุนั้นต้องตั้งใจทุกคอนภาวนาเอาให้มันถึงศีลถึงธรรมถึงคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทำอะไรได้เด็กเปื่อยๆ เ, เล่นๆไปอย่างนั้นเหตุนั้นตั้งใจลงไป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 บอกไปได้จิตนี่จะไปยึดไปถือทำไมวางเฉย อ, อยู่เหมือนแผ่นดินแผ่นดินเขาวางเฉยได้จิตใจของผู้ปฏิบัติใครจะเกิดใครจะแกะ่ใครจะเจ็บใครจะไข้ใครจะตายช่างเป็นธรรมดาจิตไม่ลุ่มหลงมัวเมาตัวเองไม่ลุ่มหลงมัวเมาคนอื่นผู้อื่นจะไปแก้ไขมันได้หรือ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 ใจดวงผพ้โลมันไม่โลมันหลงมันหลงก็เป็นทุกข์อย่างนี้หละร้อนมากติว่าร้อนไม่ดีหนาวมากติว่าหนาวไม่ดีแล้วใครไม่ดีกันแน่นะ่ะกิจเงาวจิตโ ง, ต ง, ตง่ไม่ดีต้องภาวนา แย่นั้นการปฏิบัติภาวนานั้นท่านว่าไม่เลือกการไม่เลือกเวลาในเลือกว่าจะเป็นเด็กเป็นนุมเป็นแก่เป็นชลาเป็นหญิงเป็นชายไม่เลือกขั้งสมัยพุทธกาลแก่แก่นันก็ภาวนานได้สําเร็จมากคล เด็กเด็กอายุเจ็ดขวบท่านภาวนาก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาพระภิกษุตาคาอนนาคาอรหันตาทั้งครือหับัรพชจิตนักบวชไม่มีใครทำรู้ทำกำแพงกันได้ผู้ใดภาวนาผู้ใดปฏิบัติเอาจิงเอาจังก็รู้ได้ในใจของตัวเองผู้เอื่นจะไปรู้ให้ทำให้ไม่ได้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 ถ้าไม่ทำไม่ภาวนาไม่ละ ก, กิเลสความโลภความโกรธความหลงเราก็อ้าวไปทางไหนก็แบก ท, าท่าสีขันทางห้าหน้าตาตัวตนหนักเหมือนแบกแผ่นดินหลอความยึดตัวยึดตน ย, ยึดเรายึดของของเรายึดเราถือเราใช่มันจะไปอยู่ตามใจของมนุษย์มันเกิดแกเจ็บตายไปตามหน้าที่ ตัวเองผู้มานั่งเฝ้านอนเฝ้าร่างกายกองกระดูกก็มาหลงลักหลงชังมันอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลิกเว้ยเลิ ก, ลกทิ้งหมดพุทโธอยู่ที่นี่ทำโมสังโฆอยู่ที่นี้อยู่ในใจสงบอยู่ในใจละกิเลสในใจมันหมดสิ้นไปก็อยู่ในตัวในใจอ่นเต้องไปถามหาสวรรค์นิพพานที่อื่นตัวหลงมันบูรู่ตั้งหั แฉะนั้นใกนการตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าไปท่อถอยชีวิตยังมีอยู่เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานทำจิตใจของเราให้สามารถอาทานไม่ท่อแท้อ่อนแอในหัวใจนั่งก็ให้ภาวนาเลกในความดีทันในชื่อว่าภาวนามันไม่ใช่เฉพาะพุโทโธอันเดียว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 ไม่จบไม่สิ้นมันทุกข์อยู่ยังทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายตายแล้วก็ไปทุกข์อยู่เอาเวจีมาหานรกตกนรกเป็นเปรตอสุลกายมาเกิดเป็นสัจสิณญาสานให้มนุษย์เอามากินเป็นอาหารตามเรื่องไปความรู้ขันนั้นต่อไปให้เราลู่จับเข้าใจการตั้งใจให้มั่นคง สงบจิตใจของตัวเองได้แต่อยู่ที่นั่นละทานอยู่ที่นี่ศีลอยู่ที่นี่สมาธิภาวนาอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่กายวาจาจิตของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าท่านโอปนญิโกท่านให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสอนเข้ามาทำใจของตนให้สงบระงับให้จงได้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 สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาติปวัตะวันตรายโยจุคิทีคายุโกะวะอาภิวาธนาสีริสนิจังมุทธาปัายิโนจ ต, ตารโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลัง